พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบแปดลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกในโอกาสอบรมคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มีชื่อเรื่องว่าปัญหาขาใจสามข้อ เอ็มพีสานัหนังสือแจกทางคูบาทางลงบันไดนะและคณะสัตธาญาติโยมผู้ใดอยากจะได้ Mp3 มพีานัหนังสือหลวงพ่อแต่ก็พวกเราอยู่ทางไกลหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดอะไรให้ฟังหรืะจะจะฟังสักหน่อยบ่เอาฟังสักหน่อยก็ฟังมาเอานั่งให้อยู่ในความสงบซะก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากนั้นถ้าฟังยังไม่จุใจนะฟังยังไม่จุใจลงไปรับเอา MP3 เอม็มพสามที่หลวงพ่ออัดไว้เนี่ยอยู่ในนี้มันมีอยู่สองแผ่นแผ่นหนึ่งเนี่ยฟังจากเพชรบูรณ์ไปถึงกรุงเทพฟังจากกรุงเทพถึงเพชรบูรณ์หมดไปแผ่นหนึ่งฮะนี่แหละลงไปเดี๋ยวกูบาจะแจกให้นี่อันนี้ก็เหมือนกั น, นแต่ตามไม่จริงหลวงพอ่อเองบอกว่าเอ็มพีสามของหลวงพ่อเนี่ยทีแรกก็ไม่มีรูปของหลวงพ่อนะ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 การรังสือคนของคุณแม่ชีแก้ว to to ตาตาตามีอยอ make it make it like ู่สองสามเล่มแต่ตตตนี่คือของพ่อตั้งอยากจะให้มันทันสมัยแบบนั้นแหะแต่ต่ต่อ่เนีทุกวันนี้เขาชอบพูดภาษาอักษรย่อมากปปมกกตออบตอะไรลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็เลยอยากอยให้มันทันสมัยเหมือนเขาหลวงพ่อเลยตั้งมาชื่อวาตต่อต่อเลยอเลย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 ไม่เห็นจะอยู่ได้ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหรเราจะไปโกดให้โง่ทำไมเราจะไปรักให้โง่ทำไมเอ่อดีแหละหลวงพ่อต่อๆๆแล้วก็มีพระฝรัง่งเข้ามาถามปัญหาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือเล่มที่ ต, อ ต, อ ต, อตอ่ออๆเขาถามว่าพะระฝรั่งนะเป็นชาวเยอรมันอายุประมาณสี่สิบเกือบจะเข้าห้าสิบปีแล้วละ่ะเขาบวชมาสิบกว่าพรรษา เขาก็มาถามเ น, นีนั่งอยู่ตรงนี้แหะตรงที่สลาหลวงพ่อน่ยกลางคืนนะวันนั้นผลงพ่อไปชุมพระอยู่ที่วัดเนี่ยไปชุมพระหลวงพ่อจะประชุมพระบ่อยเขาก็ถามว่าหลวงพ่อครับผมเป็นชาวเยอรมันเป็นพระบวชมาสิบหัวพรรษาเคยไปต่างประเทศหลายแห่งผมอยากจะถามปัญหากับหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อตอบปัญหาที่ผมจะถามด้วยหลวงพ่อเอ้ย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 แล้วจะปล่อยวางอย่างไง จ, งจึงจะถูกต้องตามความเห็นของท่านอาจารย์เอเขาถามนะให้ว่าช่วงที่ใจจะขาดในช่วงนั้นละ่ะจะทําใจอย่างไงเนี่ยแหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดในนั้นอธิบายให้ฟังว่าควรจะทําใจอย่างไงในขณะที่ใจจะขาดเออหลวงพ่อจะฟังให้พูดให้ลูกหลานฟังขนาดนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นนักปฏิบัตินักภาวนา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 จะไปเกิดเป็นเสือจะไปเกิดเป็นงูอพอเหตุไรเพราะว่าตายด้วยความโกรธเพราะนั้นเรื่องก่อนตายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัาทธ า, าติโยมลูกหลานนะก่อนที่จะถึงจุดจบจุดนั้นนะระ ล, ะลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงบุญกุศลทนี้ก็าปัญหาที่สามเขถามมันสามข้อวันนั้นเขาถามว่าผมอยู่กับครูบาอาจารย์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 ต้องทำอย่างนี้ต้องทาอย่างนี้ต้องหลบเลี่ยงอย่างนี้ต้องชกอย่างนี้ฮะนี่แหละถ้าว่าพวกเรารู้จักตบรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักวิธีการพวกเราก็จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขในใจถึงพญามัจจุราชถึงเขาจะป่นบ้านพ้นเมืองไปแต่เราก็มีสมบัติติดตัวไปเราขนสมบัติออกไปก่อนแล้วพญามัจจุราชได้แต่ร่างเปล่า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 เวลาทานอาหารแล้วก็หายาอยา่างดีเลี้ยงร่างกายใส่ ย, ยาให้ดีเลี้ยงร่างกายหาเสื้อผ้ายางดีให้ร่างกายนี่หงหใส่นุ่งหม่มสร้างบ้านเรือนอยา่างดีให้ร่างกายอยู่อาศัยถึงจะปัจใจสี่อาหารดีเสื้อผ้าดียาดีที่พักผ้าศัยดีขนาดไหนก็เถอะร่างกายของเรานี่ยยังเป็นอื่นอยู่เสมอ เลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไปเลี้ยงไปได้ก็เห็นผมงอกเออแล้วก็หนังเหี่ยวตาฝ้าฝางหูตึงฟันหลุดนะเป็นลักษณะอย่างนั้นพอในสูดก็ถึงจุดจบพ้องมันนั่นแหละร่างกายถึงจะเลี้ยงขนาดไหนแก่เจ็บตายอยู่ในที่สุดแต่เมื่อตายไปแล้วน่นเออมันไม่ใช่ตายแต่กา ย, ยเนีใจของเราเจ้าต้องออกจากร่างทีนี่เออมนโนคานี้นะ่ะคือใจเนีนะ่ออกจากร่าง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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทําสีเลยดีกว่าให้ทำแต่รมดีถ้าทายใครคำดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วมีแต่ความเจริญผาสุขเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัตตารายาตโยมลูกหลานถึงพระน้องหนุ่งทั้งหลายเนอะร์ให้ประกอบแต่คุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็พวกเราจะประสบแต่ความศักดิ์ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะพ้นทุก